ตุกุลร้อยบทที่เราได้ใ ส, สาธยายไปสักครู่นะนอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสรรเสริญพระองค์แล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำควบคู่ไปด้วยก็คือการใครควรวญการพิจารณาอย่างเช่นให้สังเกตว่าคุณวิเศษทั้งร้อยประการของพระองค์เนี่ย มันไม่มีข้อใดที่เกี่ยวเรื่องอิทธิปฏิหารเลยความสามารถในการดำดินบินบนหรือว่ า, าเสกสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเราอันนี้ไม่ได้จัดว่าเป็นพุทธคุณนะทั้งร้อยประการอาจจะมีบางบทที่บอกว่าพระองค์ทรงมียาน ญาณเวทหรือว่ามีเวทนะเวทนี่ก็ไม่ใช่เวทมนต์นะแต่หมายถึงญาณที่เป็นเครื่องทะลุโมหะก็คือทำให้เกิดความรู้แจ้งขึ้นมาอันนี้เป็นเวทที่ยิ่งใหญ่ประเสริฐกว่าเวทมนต์คาถาซึ่งคนส่วนใหญ่นะก็แสวงหา เวลาจะพึ่งพาใครเวลาจะแสวงหาพระที่จะเป็นที่ศรัทธานับถือหลายคนก็ไปดูตรงนี้แหละดูที่การมีเวทมนต์คาถามีความสามารถในการาทายใจหรือว่าโดนบันดาลสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความปรารถนาของเรา ที่จริงพระพุทธองค์ก็มีความสามารถส่วนนี้นะแต่ว่าก็ไม่จัดว่าเป็นพุทธคุณนะในร้อยประการที่ว่านี่ที่เราสาธยายเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะว่าอะไรคือพุทธคุณที่ประเสริฐความศักดิ์สิทธิ์นะของพระองค์เนี่ยอยู่ที่คุณธรรมและการเข้าถึงสัจธรรมนะจนพ้นทุกข์ เรียกว่าสิ้นทุกหมดสิ้นทุกหมดกิเลสนะอันนี้แหละเป็นคุณสมบัติสำคัญของพระองค์ซึ่งเกิดจากความเพียร น, นะไม่ได้ติดมาแต่กำเนิดเมื่อเราพิจารณาแบบนี้แล้วก็จะได้นำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราเพียงยกเอาพุทธคุณข้อใดข้อหนึ่งนะมาเป็น เป็นแบบอย่างหรือจะเป็นจุดหมายก็ได้โดยเพราะการมีปัญญานะที่เป็นเครื่องดับกิเลสนำมาเป็นจุดหมายของชีวิตเพื่อที่จะได้ทำความเพียรให้ได้เข้าใกลนะ้สภาวะนั้นให้มากที่สุดอีกอันนึงที่อยากจะให้สังเกตนะว่าพุทธคุณร้อยประการเนี่ยนะไม่มีข้อไหนนะที่บอกว่าพระองค์จะไม่ถูก ตํหนิติเตียนจะไม่ถูกต่อว่าด่าทอหรือไม่มีผู้ใดใส่ร้ายนะไม่มีนะพระองค์เนี่ยแม้จะทรงคุณในวิเศษหรือว่าประเสริฐอย่างไรนะก็ยังมีคนตําหนิติเตียนนะมีคนต่อว่าด่าทอหรือยิ่งกว่านนะั้นคือใส่ร้ายนะไม่ได้ใส่ร้ายธรรมดานะใส่ร้ายว่า ไปอยู่เบื้องหลังการฆ่าผู้หญิงเป็นข้อหาที่ร้ายแรงมากไม่มีข้อใดในพุทธคุณร้อยบทที่บอกว่าพระองค์นะจะไม่มีวันแกนะ่แล้วก็จะเป็นอมตะหรือว่าไม่มีข้อใดที่บอกว่าพระองค์เนี่ยไม่เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีตลอดไม่เจ็บไม่ป่วยนะไม่มีเลย ทำไมถึงไม่มีนะก็เพราะว่ามันเป็นธรรมดาที่ไม่มีใครหนีพ้นเราเองก็ต้องเจอนะถูกต่อว่าด่าทอมีคนเกลียดชังมีคนไม่เข้าใจหรือมีคนเข้าใจผิดนะต้องเจ็บต้องป่วยต้องสูญเสียพัดพลาคจากคนรักของรักข้อนี้ทุกคนต้องประสบ พระพุทธองค์เองกอ็เจออยู่บ่อยๆหรือไม่น้อยเลยนะไม่มีใครนะที่จะมีคุณวิเศษชนดิดที่ว่าปราศจากนะคนตำหนิตีเตียนคนต่อว่าด่าทอหรือว่ามีแต่คนสารเสริญ น, นะไปทั่วทั้งโลกโดยไม่มีใครเกียรติชังเลย นะพระองค์ก็ไม่มีคุณสมบัติข้อนี้นะเพราะว่ามันเป็นการฝืนธรรมชาติส่งคุณวิเศษอย่างไรนะก็ต้องแก่ต้องเจ็บนะต้องป่วยแล้วก็ต้องตายให้เวลาเราเจอหรือประสบภาวะแบบนี้เนี่ยนะอย่าบน่นโวยวายตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชันทำไมชั้นทำความดีมาต้องนาน จึงไม่มีคนเห็นความดีของฉันที่เขาไม่เห็นนะ่ะยังดีนะที่เขาไม่เห็นความดีของเรานี่ยังดีเพราะว่าไอ้ที่เขาสามารถจะทำได้มากกว่านั้นเนี่ยกับเราเนี่ยยังมีอีกเยอะเช่นใส่ร้ายนะหรือว่ายัางบอกบอกก็นินทาว่าร้ายไอ้ที่เขาไม่เห็นความดีของเราก็ถือว่าเป็นโชคแล้วนะเพราะว่า แล้วจจะเจอมากกว่า น, นั้นก็ได้ในวันหน้าทำดีแค่ไหนก็อย่าไปคิดว่าเราจะปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บจะไม่เจ็บไม่ป่วยจะไม่สูญเสียงานการจะไม่เจออุปสรรคหรือความล้มเหลวไอ้พวกนี้เป็นธรรมดาและที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงคุณวิเศษแตเพระทรงเห็นความเป็นธรรมดาเหล่านั้น สามารถที่จะแม้จะเจอกับความทุกข์ที่ว่ามาเนี่ยแต่ว่าก็สามารถจะยกจิตเหนือสิ่งเหล่านั้นคือใจไม่ทุกได้แม้จะอยู่ท่ามกลางโลกที่มันผัน ผ, ลผลลวนปลีนแปรมีบวกมีลบมีร้อนมีหนาวมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์นะแต่พระองค์ก็สามารถจะยกจิตเหนือทุกข์ได้เรียกว่า ตัวอยู่ในโลกนะแต่ว่าใจอยู่เหนือโลกหรือพ้นโลกนะเราทุกคนเนี่ยตราได้ที่ตัวอ ย, อยู่ในโลกเนี่ยมันก็ต้องเจอนะสารพัดนะที่เรียกลมรวมว่าทุกข์นะอย่างที่เราสวดสาธยายกันเกือบทุกเชา้าเกิดขึ้นมาทันทีที่เกิดมาก็ทุกข์แล้วนะเด็กที่คลอดมาจากท้องแม่แต่ละคนแต่ละคนก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละ เด็กต้องร้องอู้แวอู้แวนะเด็กต้องอตื่นตกใจพยายามฟื้นที่จะไม่ออกมาก็ไม่สำเร็จอันนี้ก็เรียกว่าการเกิดเป็นทุกข์นะความแก่ความเจ็บก็เกิดขึ้นและนั่นก็เรียกว่าทุกข์ระหว่างนั้นก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักพัดภาคจากสิ่งที่รัก มีความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแทนใจปราธนาอะไรก็ไม่ได้หรือถึงได้ก็ได้ไม่พอได้ไม่สมอยากก็ทุกข์นะอันนี้คือสภาวะที่ทุกคนต้องเจอมากบ้างน้อยบ้างถ้าหากว่าตัวยอังอยู่ในโลกนะไม่ได้อยู่บนสวรรค์เนี่ยนะ ก็ต้องเจอแต่ว่าใจเนี่ยนะสามารถจะเหนือโลกได้นะเหนือโลกก็คือความพันผลปลนแปรความไม่เที่ยงทําอะไรไม่ได้ทําอะไรจิตใจไม่ได้อาจจะทําได้กับร่างกายอาจจะทําได้กับเข้าวของทรัพย์สมบัติหรือชื่อเสียงกติยศตลอดจนคนรักคนรอบตัวอันนี้ ความเสื่อมความสูนความไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่พ้นแต่ว่าใจไม่เป็นทุกข์นะเนี่ยเรียกว่าตัวอยู่ในโลกนะแต่ว่าใจนี่พ้นโลกหรือเหนือโลกแต่ว่าให้เราตระหนักนะว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันมันเป็นธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอเราก็เตรียมตัวนะเตรียมใจเอาไว้ ในยามที่เรามีความสุขในยามที่เรามีสุขภาพดีก็รู้นะว่าไอ้ที่เป็นอยู่ที่มีอยู่เป็นของชั่วคราวไม่ว่าเป็นอะไรไม่ว่ามีอะไรในที่สุดมันก็แปลเปลี่ยนไปทั้งนั้นมันเป็นเพียงแค่ของชั่วคราวชั่วครู่ชั่วยามไม่ว่าจะเป็นความหนุ่มความสาวไม่ว่าจะเป็นความรู้ ที่มีไม่ว่าจะเป็นคนมีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแมนะ่เป็นคนเก่งเป็นอะไรก็ตามนะมีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะหมดหรือว่าจะผันแปรไปนะไม่ช้าก็เร็ว เมื่อเดือนที่แล้วได้มีโอกาสไปประเทศ Nord A นอร์เวย์ก่อนที่ไปประชุมเนี่ยนะมันเป็นวันอาทิตย์ก็เลยได้ไปชมสวนสวนหนึ่งที่มีชื่อมากนะักท่องเที่ยวก็นิยมไปกันโดยเพราะวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่ร้านค้าก็ปิดนะประเทศนี้เนี่ยวันอาทิตย์นี่เขาเราจะไปซื้ออะไรไม่ได้เลยนะยากมากเขาปิดก็มีสวนเนี่ยที่เปิด พิพิธภัลายแห่งก็ปิดนะแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยชื่อว่าส่วนฟล็อกเนอร์พาร์คหรือว่าวิจิลแลนด์พาร์คเปิดยีิบสีชั่วโมงนะวิจิลแลนด์นี่เป็นชื่อของอศิล ป, ปินนะซึ่งสลักหรือว่าเป็นทำสลับาทาสลักเป็นรูป <Okay. S 1> ต่างๆเป็นรูปคนนะ ในนั้นนีจะมีรูปสลักนะประมาณ200กว่าชิ้นเป็นรูปคนทั้งนั้นแหละตอนที่เดินไปช่วงแรกต้นๆ น, นี่ก็เป็นรูปเด็กนะเด็กน่ารักเด็กกำลังสนุกสนานรื่นเริ ง, รงแต่พอเดินไปเดินไปเด็กก็ค่อยหายไปกลายเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุนเป็นสาวก็มีความสุขนะ มีความเพลิดเพลินยินดีนะที่จะอยู่ร่วมกันมีความรักแต่พอเดินไปหน่อยภาพที่เห็นหรือรูปสลักที่ปรากฏเนี่ยมันก็เริ่มนะมีปรากฏการ์ต่างๆเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นเช่นความสูญเสียความพัดพลาดเดินไปหน่อยนะรูปที่เห็นเนี่ยก็เป็นรูปคนแก่หญิงและชาย ก็กำลังเศร้าโศกเศร้าโศกนะก็ไม่ทราบว่าเศร้าโศกเพราะอะไรอาจจะมีอาจจะสูญเสียคนรักสูญเสียลูกหรืออาจจะกำลังเจ็บป่วยอยู่รูปทั้งหมดที่ว่ามาสองแล้วก็รูปเนี่ยนะลแล้วแต่เปลือยนะเปลือยเป็นร่างที่เปลือยอันนี้เขาคงต้องการที่จะบอกว่าต้องการสื่อถึง ความเป็นมนุษย์ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยชาติด้วยศาสนาคือถ้าใส่เสื้อนี่มันก็จะบ่งบอกชาตินะบ่งบอกวัฒนธรรมซึ่งมันจะทําให้สิ่งที่เขาต้องการสื่อเนี่ยมันคับแคบลงเพราะเขาต้องการสื่อถึงความเป็นความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั้งหลายว่ามัน เริ่มต้นด้วยความสุขสนุกสนานความร่าเริงเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ไปลงเอยด้วยความเศร้าโศกนะความแก่ชาราแล้วก็ท้ายท้ายก็จะเป็นภาพเป็นเสาหินใหญ่สูงนะสิกว่าเมตรก็เป็นรูปเป็นรูปคนนะนอนกายกองกันจะว่ามองเป็นซากศพก็ได้หรือว่าจะมองเป็นอ่าความล่นเหลือของผู้คนนะ คนที่นอนอยู่เขก็ไม่ได้แสดงหน้าตาให้เราเห็นนะบางบางจุดก็เป็นรูปคนที่เกาะนอนกายกองกันเป็นวงกลมเหมือนก็เป็นวัตจักรจะมองว่าคนเราเนี่ยมันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันสัมพันธ์กันก็ได้หรือจะมองว่าเป็นวัตจักรแห่งความเกิดและความตายต้องเกิดอยู่เรื่อยไป วิจารณ์ซึ่งเป็นศิลปินคนนี้เขาก็สลักนะภาพเหล่านี้เนี่ยมาตั้งแต่ร0อกว่าปีที่แล้วนะแต่ว่ามาดูแล้วมันก็เออมันก็ได้เห็นธรรมชาติของมนุษย์นะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยก็หนีความทุกข์ไม่พ้นหนนีความสูญเสียความโศกความร่ำไรลำพันธ์หลายคนไม่เข้าใจว่าเขาสลักหรือว่าเขา ทำงานชุดนี้เพื่ออะไรต้องการสื่ออะไรนะทำไมคนถึงต้องเปลยหมดนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่อันนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการสื่อถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็รู้แล้วแต่อ่านะมีความดีใจมีความเสียใจมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์ศิลปินก็เห็นคนแก่เนี่ยนะ โดแล้ะแต่มีหน้าตาหม่นหมองเพราะสูญเสียเ พ, พ, พราะพัดพลาดหรือเพราะเจ็บป่วยหรือเพราะแก่ชาราก็ตามแต่ที่จริงแล้วเนี่ยในมุมมองพุทธศาสนาเนี่ยนะแม้ว่าความแก่จะเป็นทุกข์แม้ว่าความป่วยจะเป็นทุกข์นะแต่ว่ามันเป็นทุกข์กายใจไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้นะแก่แล้วจิตใจยังเป็นปกติสุขก็มีเยอะป่วยนะป่วยแต่กายใจไม่ป่วยก็ได้ แล้วก็เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยสอนด้วยว่าเนี่ยเมื่อป่วยก็ให้ป่วยแต่กายนะอย่าให้ใจป่วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะว่าแม้คนเราเนี่ยจะหนีวตัตจักรแห่งความเกิดแก่เจ็บตายสูญเสียพัดพราวไม่พ้นแต่เราก็สามารถจะยกจิตให้มันอยู่เหนือภาวะที่เป็นทุกข์เหล่านั้นได้อันนี้ก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ให้ความหวังนะ แล้วก็กำลังใจกับคนเราในด้านหนึ่งพระองค์ก็สอนก็เตือนว่าในขณะที่มีความสุขยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีสุขภาพดีก็ระวังนะอย่าประมาทนะเพราะว่าสักวันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องเจ็บนะอย่าไปเพลิดเพลินกับความสุขอย่าไปเพลิดเพลินกับทรัพย์สมบัติที่มีเพราะว่าจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คำพูดแบบนี้คนไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่คนที่กําลังเพลิดเพลินนะ คนที่ยังหนุ่มยังสาวไม่อยากจะได้ยินว่าสักวันหนึ่งฉันต้องแก่สักวันหนึ่งฉันต้องป่วยคนที่กําลังร่ํารวยก็หรือมีเกียรติยศชื่อเสียงก็ไม่อยากได้ยินนะคำสอนที่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะต้องอเสื่อมจะต้องหมดไปจากสภาวะนั้ น, นเนี่ยที่สวนโมกเนี่ยมันจะมีที่ห อ, อที่หมอหลงมอศพทางวิญญาณก็จะมีภาพนะคนที่ปิดหูไม่อยากฟัง พระเทศ พ, พระสอนนะมาวัดแต่ไม่อยากฟังนะคนจำนวนมากก็เป็นแบบนี้นะคือมาวัดก็อยากจะได้ฟังเรื่องราวดีๆที่มันรื่นหูเช่นอายุวันนัสุขภาร ะ, ะพอมาฟังเรื่องว่าอายุก็ไม่เที่ยงนะสุขภาร ะ, ะก็ไม่เที่ยงนะแต่ว่านะเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาทุกเนี่ยนะ ขุจ้าเนี่ยก็จะพูดอีกแบบหนึ่งนะว่าในท่ามกลางความทุกข์มันก็ใจไม่ทุกข์ก็ได้นะอาจจะมีความสุขให้เราได้สัมผัสก็ได้อย่างที่พระองค์ตรัสว่าเนี่ยผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบไอเวลาสุขพระองค์ก็เตือนว่าอย่าเพลิในความสุขแต่เวลาทุกข์พระองค์ก็บอกว่าอย่าไปจมอยู่ในความทุกข์นะเพราะว่ามันยังมีสุขให้เราได้ ได้พบได้สัมผัสได้นั่งใครที่มีความทุกข์ตอนนี้จะเป็นเพราะความแก่เพราะความเจ็บนะเพราะความพัพร้าเนี่ยลองมองดูดีๆนะมันมีสุขให้เราได้ได้เก็บได้เกี่ยวนะเจ็บป่วยแค่ไหนก็ยังมีโอกาสที่จะยิ้มได้นะแม้กายมันจะเต็มไปด้วยทุกขเวทนาเมื่อสักเดือนที่แล้วก็เหมือนกันนะได้ ได้ดูคลิปวิดีโอของคนคนหนึ่งนะเธออายุก็ประมาณสัก20ปลายปลาย30ต้นต้นชื่อจอยตอนนี้เธอป่วยด้วยโรคพุ่มพวงแล้วก็ค่อนข้างแรงนะร่างกายเนี่ยผิดปกติไปหมดหน้าก็บวมนะมือไม้กระดูกเ อ, อนิ้วก็คดงอเรียกว่ามีทุกขเวทนาเต็มไปทั้งร่างอยู่ในห้อง ICU มาเป็นปีที่4แล้ว แต่เธอก็จะเรียกว่าหน้าตาแจ่มใสก็ได้ทั้งที่หายใจแต่ละทีก็ยากเวลาจะพูดแต่ละคําก็ก็ต้องรวบรวมกําลังพูดได้สักสามสี่ห้า 3, 4, คำก็ต้องหยุดหายใจแล้วก็พูดต่อคนที่อยู่ในห้อง ICU มาสามสี่ปีนไม่ใช่ไม่ใช่น้อยน้อยนะคนธรรมดานี่ไปอยู่ในห้อง ICU แค่คืนเดียวบางทกีก็กระสับกระส่ายแล้วเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับ มีเสียงสัญญาณต่างๆดังไฟก็เปิดสว่างทั้งคืนนะไม่ใช่แค่กลางวันแต่เธออยู่มาเป็นปีที่สีแล้วเธอเล่าว่าตอนที่เริ่มเป็นในโลกเนี้ยนะตอนนั้นยังอยู่ในเป็นช่วงวัยรุ่นเธอก็เป็นคนหน้าตาดีนะแต่พอเป็นแล้วเนี่ยเธอก็ทุกใจมากรู้สึกอายอายเพื่อนมารักษาตัวที่บ้าน ไม่กล้าไปโรงเรียนเพราะอายเพื่อนเคยสวยนะเคยหน้าตาดีอยู่บ้านเนี่ยเพื่อนมาเยี่ยมก็บอกแม่ว่าให้บอกเพื่อนว่าตัวเองไม่อยู่เพื่อนมาทีไรก็ไม่เคยได้เจอได้เจอเธอเลยนะเพราะเธอไม่พยายามที่จะไม่ต้อนรับบอกแม่บอกให้ปฏิเสธปฏิเสธยังไงก็ได้ว่าฉันไม่อยู่เพื่อนก็ไม่เคยมาเจอเธอเลย แต่ตอนหลังเนี่ยพอเธอป่วยนะักเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเธอร่างกายเนี่ยแย่ลงแต่จิตใจดีขึ้นเธอก็ยอมรับความเจ็บความป่วยได้แล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเธอไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ต้องการปฏิเสธเพื่อนเธอต้องการเพื่อนด้วยเธอมานึกย้อนถึงชีวิตของเธอตอนที่ป่วยใหม่ๆแล้วก็ไม่อยากเจอหน้าเพื่อนเนี่ย เธอบอกว่าโอเธอทำไม่ถูกเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยคือการหนีความสุขความสุขมันมาหาเธอถึงบ้านนะแต่เธอก็ปฏิเสธเธอไม่ยอมรับและที่จริงเนี่ยตอนที่เธอป่วยเนี่ยเธอก็พบว่าถ้าเธอวางใจดีๆนะเธอก็พบความสุขได้เหมือนกันคำว่าหนีความสุขนี่ไม่ใช่หมายความเพียงแค่หนีเพื่อนไม่อยากเจอหน้าเพื่อนหรือไม่ให้เพื่อนมาเจอหน้าตัวเองเท่านั้นนะ แต่มายังหมายถึงการที่ไม่รู้จักมองหาความสุขที่มันมีอยู่หรือเกิดขึ้นกับตัวเองแม้ในยามเจ็บยามป่วยถ้าเธอพบ ว, ว่าความสุขอย่างหนึ่งนะที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นท่านที่เธอป่วยเนี่ยนะมือก็จับอะไรไม่ค่อยได้แต่เธอก็พยายามนะทำของทาของเล่นนะไปให้เด็กที่ยากไร้เด็กที่ป่วย แล้วก็ชักชวนเพื่อนเพื่อนทำเพอพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นกับเธอได้นะแม้ว่าจะยังเจ็บยังป่วยอยู่ตอนหลังเนี่ยก็ไม่อายเพื่อนลวแล้วก็ไม่อายใครด้วยนะกล้าที่จะให้คนเนี่ยถ่ายวิดีโอแล้วก็ไปเปิดให้ใครๆต่อใครดูขึ้นยู u ูบนะให้คนทั้งโลกดูนะ ไม่ได้อายหน้าตางตัวเองว่าเนี่ยหน้าตานี้บวมนะหรือว่าอยู่ในภาวะที่ทุพลภาพอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเธอหลายอย่างนะจากคนที่เคยอายนะอายเพื่อนก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่อายจากคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตอนนี้ก็พอตัวเองมีคุณค่าแล้วก็คือการได้ทําประโยชน์ให้กับเด็กเล็ ก, ลกๆที่เจ็บป่วย ใจใหญ่นะทั้งที่ตัวเองก็เอาตัวแท้ไม่รอดแล้วจะพูดแต่ละประโยคแต่ละประโยคก็ต้องหยุดหายใจนะแต่ว่าก็ยังพยายามทำสิ่งที่มีค่าสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับผู้อื่นซึ่งก็ช่วยทำให้เธอเนี่ยมีความสุขการช่วยผู้อื่นมาทำให้ใจมีความสุขเป็นความสุขที่หาได้ง่ายนะเพียงแค่ได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นเท่านั้นละ เธอบอกว่าแต่ก่อนเธอไม่มีความหวังในชีวิตเลยนะแต่ตอนนี้เธอมีความหวังล้นเปลี่ยมนะความหวังอย่างหนึ่งคือของเธอคือว่าตายดีนะตายสวยตายสวยในที่ไม่ได้แปลว่าตายแบบหน้าตาดีส飒สวยนะแต่หมายถึงว่าตายแบบใจสงบนะก็สามารถจะหาความหวังได้นะท่ามกลางความเจ็บป่วยซึ่งหมอนี้จนปัญญารักษาไม่ได้นะ น, นี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะกับคนซึ่งเจ็บป่วยจนกระทั่งไม่รู้ว่จะตายเมื่อไหร่แต่ว่าก็สามารถจะอยู่กับมันได้นะอย่างปกติสุขกายป่วยแต่ว่าใจเนี่ยนะมีความสุขนะเธอเพราะว่าจริงๆแล้วชีทนี่มันไม่ได้เลวร้วายนะชีพมันไม่ได้เลวร้วายอะไรชีพมันไม่ได้เต็มไปด้วยทุกขนะ์แต่ใดที่เราทุกข์เพราะว่าเราหนีความสุขต่างหาก คนจานวนมากเนี่ยทั้งที่มีสุขภาพดีมีกินมีใช้นะแต่ว่าใจิตใจเต็มไปด้ทุกข์นะเพราะว่าเขาหนีความสุขหรือเขาปฏิเสธไม่ยอมรับความสุขที่มันมีอยู่กับตัวเขาอยู่แล้วเช่ในได้ใครที่ดูคลิปในวิดีโอของจอยเนี่ยก็จะรู้่าโอ้ไอ้ที่เราไม่ป่วยเนี่ยนะที่เรายังสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เนี่ยสุขแล้วที่เรายัง สามารถจะกินอะไรก็ได้นะไม่ต้องกินทางสายยางอยากจะกินอะไรก็เดินไปกินนะหรือว่านั่งรถไปกินอันนี้เราสุขแล้วนะแต่คนจํานวนมากมองไม่เห็นนะมีพ่อมีแม่มีคนรักอยู่รอบข้างเนี้ยก็สุขแล้วนะแต่ไม่เห็นมองไม่ถูกมองไม่เป็นว่านั่นแหละคือสุขนะเราก็เอาแต่บนว่าทุกทุกทุกทุก มันไม่ใช่เพราะชีพมันเต็ไมไปด้วยทุกข์อย่างเดียวนะแต่เป็นเพราะตัวเองมองไม่เห็นความสุขหรือว่าหนีความสุขด้วยซ้ำนะอย่างที่เจ้าตรัดว่าเนี่ยนะพู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบเนี่ยอันนี้มันเป็นความจริงนะที่เราต้องอต้องทําความเข้าใจโดยพอเวลาทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะมันมีสุขมากมายที่เกิดขึ้นกับเราแล้วหรือว่า มีสุขมากมายที่เราสามารถจะสร้างขึ้นได้ไม่ยากมีสุขมากมายที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้ถ้าใจเราเปิดหรือว่าวางไว้ถูกเริ่มต้นจากการที่เรายอมรับสิ่งที่เป็นว่าเป็นธรรมดาไม่โวยวายไม่ตัดพ่อต่อว่าชะตากรรมพอใจมันยอมรับได้เนี่ยนะจิต ก, ก็เปิดนะเปิดอะไรเปิดรับความสุขนะที่มีนะไม่ปฏิเสธไม่หันหลังหรือไม่หนี อย่างที่เคยทำมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแม้ว่าพูะเจ้าจะบอกเราย้ากับเราอยู่เสมอว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะแต่ว่าอย่าลืมนะมันมีความสุขที่เราสามารถจะพบได้หรือเป็นความสุขที่มันเกิดกับเราอยู่แล้วนะเพียงแต่เรามองไม่เห็นเราวางใจไม่ถูก อ่ะแล้กวก็เช้านี้ก็เท่านี้อ่ะ